มงคลสถานแห่งการรู้แจ้งเรื่องเทศนานั้นปกติท่านเทศนานบางเรื่องในสิบวันถ้าเทศไม่จบก็ไม่มีใครหนีส่วนการอบรมพระเนนในช่วงปัจฉิ ม, มวัยหลังจากท่านจากภาคเหนือมาสู่อีสานนั้นท่านชะเทศประมาณสองชั่วโมงเป็นประจำเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่ม นอกจากกรณีพิเศษท่านสั่งคำเดียวแล้วก็เลิกกันกรณีพิเศษคือพวกเทพจะมาขอฟังธรรมหากมีโอกาสเช่นนั้นท่านจะก้มหน้าลงนิดหนึ่งแล้วก็หลับตาประมาณชั่วอึดใจแล้วเงยหน้าขึ้นมาก็บอกเลิกกันหมายถึงว่าพวกเทพมาเตือนแล้วว่าเขาจะมาฟังเทศ แต่เรื่องการรับแขกภายในส่วนมากท่านจะเล่าเป็นส่วนบุคคลไม่ได้เล่าเป็นสาธารณะส่วนเรื่องจิตใจที่ท่านปฏิบัติผ่านมาแล้วท่านจะสลับมาเป็นพระธรรมเทศนาแล้วก็ให้พิจารณาในคราวนั้นว่าเป็นอย่างไรท่านก็พูดให้ฟังสำหรับผู้ที่ไม่รู้เรื่องฟังแล้วคล้ายกับว่า ท่านพูดไปตามตำราที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกผู้ที่อยู่ใกล้ชิดท่านจะพิจารณาเล่าเป็นส่วนบุคคลไปท่านเล่าเรื่องจิตของท่านเกี่ยวกับพรรษาแรกคือจิตของท่านได้ก้าวเข้าสู่อริยมรรคโสดาบันนั่นแหละท่านก็เล่าว่าจิตของท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพรรษาที่สาม ท่านได้สําเร็จเป็นอริยบุคคลโสดาบันที่วัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีพรรษาที่8ท่านได้สําเร็จเป็นอริยบุคคลสกิทาคามีอยู่ที่กลางถนนบริเวณที่ในยุคนั้นเรียกว่าวังกรมพระสวัสดิ์ปัจจุบันนี้เรียกว่าโรงเรียนช่างคนปทุมวันขณะนั้นท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดปทุมวนารามไปฟังเทศท่านเจ้าคุณอุบาลี ทีวัดบระโรมนิวาสขณะกําลังเดินกลับวัดท่านก็พิจารณามาตามประแสะธรรมจิตของท่านก็เกิดรวมลงไปอริยะมรรคยานก็เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองอริยะมรรคยานก็เหมือนกับครั้งแรกในพรรษาที่สิสองท่านจําพรรษาที่อีสานบ้างจําพรรษาที่ภาคกลางบ้างปีนั้นท่านก็ได้สำเร็จ เป็นพระอนาคามีที่ทำสาริกาจังหวัดนครนายกมาเหตุผู้อา่านสำหรับการเล่าถึงผลการปฏิบัติให้แก่ผู้ปฏิบัติด้วยการฟังเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ใช่การอวดอุตริมนุษยธรรมอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับ เป็นการพูดถึงสภาวะที่ปรากฏขึ้นจริงตามปกติแล้วจะเป็นการกล่าวถึงว่ามีสภาวะทำอะไรเกิดขึ้นไม่ได้บอกว่าตนเองเป็นโซดาบัลเป็นอารหารันเป็นการรายงานผลการปฏิบัติตามปกติหรือเรียกได้ว่าเป็นการสนทนาธรรมตามการคือพูดถึงความจริงที่ได้ประสบท่านว่าข้อดีของการพูดถึงเรื่องนี้ ในกรณีพูดคุยกับหมูพิษุหรือผู้ปฏิบัติด้วยกันถ้าหากมีการเข้าใจผิดหรือหลงทางก็จะได้ช่วยกันตีติงและแนะนำแก้ไขกันได้ทันและในกรณีที่กล่าวกับลูกศิษย์นั้นก็เป็นการเล่าประสบการณ์เพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางหรือเพื่อเสริมกำลังใจในการปฏิบัติแก่เหล่าศิษย์หรือบุคคลที่เหมาะสมซึ่งมักจะพูดเป็นการส่วนตัวหรือกับแค่บุคคลบางกลุ่มเท่านั้น การจะเข้าใจธรรมวินัยได้ตรงจริงนั้นอย่าสักแต่ว่าท่องตามตำราหรือจับแค่บางประโยคบางช่วงบางตอนแล้วนำมาตัดสินว่านั่นเท่านั้นจริงอย่างอื่นที่ต่างจากนั้นล้วนผิดทั้งหมดซึ่งในความเป็นจริงธรรมะหรือวินัยมีข้อยกเว้นและดูกันที่เจตนากับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจึงควรระมัดระวังศึกษาให้เข้าใจไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นปรามากรูบาอาจารย์ หรือเข้าใจธรรมวินัยผิดไปได้นี่ครับ